ทำบริกรรมพุทโธถ้าบริกรรมพุทโธอยู่ส่วนเดียวโดย ม, มีปัญญา a ัมพยุตก็เป็นคณิกะสมาธิและอุปจารสมาธิถ้ามีปัญญา a ัมพยุตพร้อมในอุปจารสมาธิ ก็สามารถรู้เลยเยอยธรรมต่างๆพุโทโธสอนมาให้ยินดีในมาเกิดสอนมาให้ยินดีในมาแก่สอนให้ไม่ยินดีในมาเก็บสอนให้ไม่ไม่ยินดีในมาตายสอนมาให้ยินดีมามีโยกพัดภาค สอนไม่ให้ยินดีมาพัดภาคจากสิ่งที่รักสอนให้เข็ดให้ลาบในวัฏฏะสงสารธรรมโมก็เหมือนกันสังโฆก็เหมือนกันพระพุทธโธธรรมโมสังโฆเป็นโลกุตระคุณซึ่งเป็นธรรมเดียวกันถ้าจิตใจของเราเป็นโลกี การบริกรรมพุโทโธก็เป็นโลคีถ้าจิตใจของเราเป็นโลคุตระการบริกรรมพุโทโธก็เป็นโลคุตระไปในตัวธรรมูสังกูก็เหมือนกันหรือกรรมฐานอื่นๆก็เหมือนกัน สกลและกายย่อมผ่านสนามทุกอยู่ไม่มีกังวันกลางคืนถึงกายจะไม่รู้ตัวก็ตามก็ผ่านสนามทุกอยู่ไม่มีกลางวันกลางคืนคือทุกแก่ทุกเก็บทุกตายเป็นสนามทุกไม่ลงธรรมะ ส่วนจิตใจมายึดถือเอาเป็นเจ้าของส่วนจิตใจนั้นถ้ามีกิเลสน้อยก็ผ่านสนามทุกน้อยถ้ามีกิเลสมากก็ผ่านสนามทุกมากถ้าไม่มีเลยก็ไม่ผ่านเลยเหมือนพระอริยเจ้าส่วนผ่านทุกแก่ก็เก็บทุกตายนั้นมันมีประจาวันประจาคืน ทั้งที่เป็นอริยะทั้งที่เป็นพุทธชนคนหนาเป็นของจริงอยู่อย่างนั้นสังขารผ่านทุกขหรือธาตุผ่านทุกขที่ยังเป็นโลกิยาธาตุหรืออินทรีย์ผ่านทุกขหรือธาตุดินน้ำไฟลมผ่านทุก ก็ลงเอย่ยอันเดียวกันหรือรูปธรรมผ่านทุกก็ลงเลิกลงเอย่ยอันเดียวกันเมื่อสกลละกายเตกดินก็ไปเป็นดินตามเดิมน้ำก็ไปเป็นน้ำตามเดิมไฟก็ไปเป็นไฟตามเดิมลมก็ไปเป็นลมตามเดิม เข้ามหาภูตะธาตุเดิมส่วนจิตใจเป็นอีกเรื่องหนึ่งถ้าจิตใจเป็นโลกิยะจิตใจโคนเวียนมาสร้างธาตุสีดินน้ำไฟลมอีกเพราะยังไม่รู้เท่าธาตุดินน้ำไฟลมเพราะยังไม่มา ยังไม่เห็นโทษพอเพราะยังไม่รู้จักอุบายที่จะข้ามธาตดินน้าไฟลมไปอีกก็จะเป็นต้องมายึดถือเอาเป็นเจ้าของคล้ายๆกับผู้ซื้อรถยนต์คันนี้แตกสลายแล้วก็ไปซื้อคันใหม่ เพราะยังไม่ยอมเพราะข่ายกับเกวียนกับรถหรือกับเรือนกับสิ่งที่ไม่มีเดียมีวิญญาณของสิงเพราะยังไม่เหนอเบื่อเพราะยังไม่นายเพราะยังไม่เข็ดเพราะยังไม่หลับเพราะจะยังมาเอาเป็นสินค้าของตนอีกแต่ค่าไปค่ามาก็มาหาความแก่ความเก็บความตายตามเดิม ด้านจิตใจไม่รู้ตัวก็ไม่รู้จักเหตุเกิดทุกข์ไม่รู้จักความดับทุกข์ไม่รู้จักทางดำเนินใหถึงความดับทุกข์ไม่รู้จักเหตุที่จะให้ทุกข์เกิดถ้าจิตใจและสติปัญญา เบื่อนายคลายเมาในธาตุดินหน้าไฟลมตลอดถึงสิ่งที่ไม่เห็นดวัวยตาออกเห็นดวตายใตในกับทั้งเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเบื่อนายไปพร้อมๆกันแล้วรูปประโลกและอารูปประโลกในส่วนท่านผู้นั้นก็ไม่มี เพราะพนั้นไม่มาท่องเที่ยวในโลกทั้งสองคือโลกรูปและโลกขันคือโลกลูกคือโลกรู ป, รปขันคือโลกนามขันโลกรูปขันนามขันมีความหมายอันเดียวกันนามขันเป็นตะเทียงว่ามันเห็นด้วยตาเท่านั้นตาภายนอกเท่านั้นแต่ตาภายในคือสติปัญญามองเห็นอยู่ ท่องเที่ยวในความไม่รู้ท้นของตนไม่ใช่เป็นงานเล็กน้อยเป็นงานใหญ่โตของฐานไม่มีงานที่จะจบสิน้นพระอริยะเจ้าจำพวกเดียวที่จบสิ้นไปเข้าสู่อนุปาทิเสสานิพาคำว่าอริยะเจ้าไม่สี่จำพวกอริยะเจ้าโสดาบัน <c oughs> อริยะเจ้าสกทาคามีอริยะเจ้าอนาคามีอริยะเจ้าอรหันอริยะเจ้าพระป จ, จิตรอริยะเจ้าพระสมานุปทเจ้าอริอริยะเจ้าเพศหญิงที่สาเร็จพระหันเรียกว่าสาวิกาอริยะเจ้าเพศ ช, ชาย ที่สําเร็จพระอรหันต์เรียกว่าอริยะเจ้าชั้นที่หนึ่งในเพศหญิงในเพศชายชั้นที่สองที่สามที่สี่ที่ห้าก็ต่ําลงมาเกนถึงอริยะเจ้าปัสสาวบันแต่พระ อ, อริยะเจ้าจำพวกนี้แวกไหวทะเลหลงของตนอยู่ไม่มีกลางวันกลางคืน ที่ตํำกว่าดพระหันลงมาไม่ได้แบกว่าแบบวนเวียนแบกไหวตัดคลื่นจะได้น้อยหรือได้มากก็าตามเป็นไม่ถอยหลังเพราะเหตุใดพราเหตุว่าเห็นโลกสกลละกายนี่ ไม่น่าไว้ใจไม่น่าจะมาลงอีกเพราะไม่มีเกนฑ์สารอะไร <c oughs> แต่ทะลุผุพังไปเหมือนพาดชนะดินหรือเหมือนต่อมน้ำเหลือเหมือนต้นกล้วยไม่มีเกน์ไม่มีสาร แม่ในฝ่ายน้าขันก็พลอยเป็นไปตามกันกับลูกขันเมื่อพี่เจรนาเห็นชัดตามเป็นจริงอยู่ความกวนกระวายกระเสือกกระสนในโลกทั้งปวงก็ทุเราลง เหมือนคนป่วยที่ได้รับยาอันถูกกับโรค ก, การพิจารณาธรรมะก็คล้ายๆกับคนป่วยรับยาการทอดทิ้งไม่พิจารณาธรรมะก็คล้ายๆกับว่าคนป่วยไม่มียารักษาทอดทิ้งตนเองไม่ยอมกินยาไม่ยอมให้ฉีด จิตใจเป็นของละเอียดและออนมากแต่เมื่อทำบาปลงก็เป็นของหยาบกลายเป็นของหยาบไปกลายเป็นผู้รับใช้เช่นฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอย่างนี้ใจจะทำสำเร็จด้วยตนเองไม่ได้ ก็ต้องสั่งให้กายสั่งให้วายจาช่วยทาแต่ด้านทำบาปทำบุญท่านทานั้นเป็นผู้สั่งงานถ้าหากว่ากายและวายจายังช่วยไม่ได้สวนใจจะทำบาปก็สามารถทำได้อยู่ เช่นกามาวิตกใจเป็นผู้นึกถึงเป็นความกำหนัดอยู่ผลของกามาวิตกก็ไหลทับใจให้เดือนรอนให้ไม่มีที่อยู่ที่อาศัยกระวนกระวายพยาบาทวิตกเกิดขึ้นแต่กายกระว า, ายใจยังไม่ไปเพราะยังไม่ได้ใช่ ก็ทำให้คิจใจได้รับดื่มได้รับผลกัพยาบาทิตกอกูลไม่เป็นอันกินอันนอนวิหิงสาวิตกเกิดขึ้นในกิจในใจผลของวิหิงสาวิตก ก็ไปหากิจใจอยู่ตามเดิมก็อยู่ไม่เป็นสุขอีกเพราะรถกามวิตกพยาบาทวิตกุกหิงสาวิตกไม่เป็นประโยชน์แก่กิจใจเนี่ยฉะนั้นพระบรมชาสดาจึงกล่าวว่ากามวิตกังวิโนเทติพยันติกรติอนะภาวังขเมนติท่านทั้งหลาย ต้องทำกรรมมรรตกุกให้เหือนแห้งหายไปจากคันทะสันดานเชืเอ้อเถิดพยาบาทวิตกวิตกังวิโนเทติพยันติกรติอนะภาวังคมินติหิงสาก็เหมือนกัน ปฐมมชานระ ง, งับการมัมมีตกพยาบาทวิตตกวิหิงสาววิตกได้แต่ระ ง, งับได้ชั่วคราวถ้าถอนออกจากปฐมมชานก็กําเลึบขึ้นอีกกําเริบก็ว่ากําำลิบก็ว่าพอยังตัดสัญชน์ไม่ไม่ขาดจะขาดในกามวมมตก โดยแท้ก็คือพระอนาคามีไม่มีในการมัวิตกไม่ได้ตึกไปเลยไม่ได้นึกไปเลยไม่ได้ส่งเสริมอีกไม่ได้ระวังอีกเพราะมันไม่มีเสียแล้วจะระวังทำไมจะแก้มตอบฟันหักสักเพียงไดนก็ตาม จะผมดำสนิทก็ตามพวกที่ผมดำสนิทถ้ากามวิตกพยาบาทวิตกวิหิงสายวิตกไม่กิดกินไม่กัดกินจิตจินใจสี่แล้วพระบรมศาสดากล่าวว่านั่นแหละเทระนั่นแหละผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ในธรรม ถ้าเป็นผู้หญิงกว่าเทรีผู้เกิดมาไม่มีการมาวิตกพยาบาทวิตกวิหิงสายวิตกกัดจินจิตจินใจแล้วจะเป็นคนหนุ่มผมดำสนิทก็ตามนั่นแหละพระเทระนั่นแหละพระอริยะเจ้า ท่านพระอนาคามีกรรมฐานที่จะบรรเทากามวิตกโดยตรงๆก็คือพิจน า, นารณาล่างกระดูกหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของสกค น, นร่างกายอัิุพระพิจนารณ า, าร่างกายตนและผู้อื่นเห็นว่าเป็นไม่งาม เมื่อนักสตินึกถึงความตายจะมาถึงตนก็ระงับการมีวิตุกพยาบาทวิตุกวิหิงสาวิทุกได้ถูวกราวเหมือนกันหรือกรรมฐานอื่นก็ระงับได้แต่โดยตรงก็คืออสุภะอสุพังนี่เองคนเราถ้าหากว่าเห็นสกลละกายส่วนในส่วนหนึ่ง เป็นของสปกปรกโซมมอยู่แล้วชัดในใจด้วยเห็นเราอย่างในใดก็เห็นท่านผู้อื่นอย่างนั้นการม่มิตกจะรองเรียกมันมาจากประตูไหนมันก็มาไม่ได้แต่ว่าถ้าเผลอมันก็ตีหน้าเหมือนกันเทหัวเหมือนกันทั้งศอกทั้งเข่าด้วยอันนี้เป็นของสําคัญมาก ท่านจึงเปรียบว่าสมณะพรามเราได้ออกจากกามแล้วแต่ยังพอใจรักใคร่ในกามไม่สามารถแต่สำเร็จมรรคผลนิพานได้เปรียบเหมือนไม้ที่ชุ่มน้วยยางทั้งแช่อยู่ในน้ำด้วย ไม่สามารถสีให้เป็นไฟได้ทั้งชุ่มอยู่ในกามด้วยทั้งไม่ออกจากกามด้วยกายด้วยก็เท่ากับว่าเหมือนไม้ที่ชุ่มด้วยยางด้วยทั้งแช่อยู่ในน้ำด้วยทีนี้ออกจากกามแล้ว แต่ชุ่มอยู่ด้วยกามเพราะมีกามมาวิตกัดกินกิด ก, กินใจอยู่พระตริไปในทางกามกามที่นักงนักกว่าเพื่อนก็คือเพศคือเพศตรงกันข้ามในระหว่างหญิงและชายตัวนี้เป็นตัวสำคัญที่สุดในพระพุทธศาสนาเหตุฉะนั้น บทใหม่ๆท่านจึงบอกกรรมฐานเกซาโลมานักฆาดันตาตะจูดันตานักาโลมาเกซาเป็นปฏิโลมเป็นอนุโลมเพราะเวลาน้อยเท่านี้ก็พอละแล้วจึงศึกษาใหม่อาจารย์ผู้ไม่ฉลาดไม่บอกแต่จะกรรมฐาน สามารถจะล่วงอาบัตหนักได้ในสังฆาทิเศษหรือในปาราชิตเ <c oughs> นี่ยท่านท่านจึงบอกไม่ก่อนเพราะสามารถรทำอันตรายเกี่ยวผมไมรรจันได้ จิต ใ, ใจของมนุษย์ถ้าเห็นร่างกระดูกชัดหรือสกลลกายเป็นของเปื่อยเน่าเป็นพุโทโธอยู่โดยตรงถึงจะไม่บริกรรมพุโทโธก็ตามเพราะพุโทโธสอนอย่างนั้นเพราะธรโมุก็สอนอย่างนั้นไม่ได้เป็นทางอ้อมเลยก็พุโทโธพุธโทโธแลพลผู้ลูกผู้ลูกายเหมือนกัน ส่วนพุทโธนี่ดึงไปใส่กรรมฐานตอนไหนๆก็ได้หมดเหมือนลมหายใจเข้าออกกรรมฐานทุกอย่างทุกอย่างต้องดึงมาใส่ได้ทุกๆ ก, กรรมฐานถ้าดึงเป็นเมตตาจะดึงมาใส่กรรมฐานได้หรือไม่ดึงใส่กรรมฐานอสุภะได้หรือไม่ ก็ดึงได้อยู่เพราะเราก็ดีท่านผู้อื่นก็ดีหลงล่างกระดูกน่าสงสารหลงผิวหนังเพอหนังหุ้มอยู่หนังก็ไม่ได้บอกว่าข้าจะหุมะห้มโกหกพกลมเป็นธรรมชาติชนิดหนึ่งต่างหากหน่าทั้งเวทตนและท่านผู้อื่นที่หลงหนัง เหตุฉชนั้นตนและผู้อื่นจงพ้นจากหนังไปเชียถิดจงเป็นสุขในพุทธธรรมสงฆ์อยู่ทุกเมื่อสุขในพุทธธรรมสงฆ์ก็คือสุขในพระสวสดาบรลสัทาคามีอานาคามีอรหันต์ต่ำกว่านั้นลงมาเป็นสุขในโลกีไม่แน่นอนบางทีก็ถอยหลังบางทีก็เดินหน้าสุขในพุทธธรรมสงฆ์ุกทนหน้าอยู่โดยทุกเมื่อเถิดสุขไม่มีเวนสุขไม่มีภัย สุขไม่มีการมาวิตกพยาบาทวิตกวิหิงสาวิตกเรียกว่าสุขในพุทธธรรมสูงสุขในเรื่องกินเรื่องถ่ายเรื่องรับเรื่องนอนไม่ต้องเอามาพูดให้ฟันเฟือกันก็ได้ <c oughs> คนเราถ้าหากเห็นสกุล น, นักกายเป็นอสุภะเป็นอสุพังทั้งกลิ่นทั้งสีทั้งที่ตั้งโลกโกลงจะไม่มาจากประตูไหนก็มาไม่ได้เพราะมันกลัวมันต้องห้ามล่อมันต้องหยุดลบ มหาธาตอื่นๆนอกจากนี้ก็เหมือนกันถ้าเห็นโลกอดีตโลกอนาคตโลกปัจจุบันเต็มไปด้วยธาตุสีดินน้ำไฟลมอยู่ไม่ใช่ธาตไม่ใช่บุคคลถ้าเห็นชัดอยู่ความความลมหายใจเขาออกโลกโกรธหลงมันก็ไม่มีประตูจะมาอีกเหมือนกันมันจะไปหลงอะไรอีกแต่มันจะขาดหรือไม่ขาด มันก็ขึ้นอยู่กับการพิจารณาเ ย, ยบคายและชัดเฉพาะส่วนตัวเป็นโอปนัญโกรหรือเป็นปัจจกะสิทธิผู้เจริญพุทโธทถ้าระลึกถึงคณของพุทโธพุทโธพุทโธอยู่ไม่มีกลางวันกลางคืนกามาวิตกพยาบาทวิต ก, ว, ตกวิหิงสาวิตก มันก็เงยคอไม่ได้เหมือนกันมันก็วางอาวุธถ้าพิจนาความตายอยู่ไม่มีกลางวันกลางคืนความเพลินในวัฏฏะสงสารก็วางอาวุธอีกเหมือนกันมันไม่สู้พราะเหยียบเล็บมันแล้ว แต่เราทำให้เป็นลำ่ำเป็นสันเดี๋ยวก็จับโนโนโ่นนี่เดี๋ยวก็คว้าอันนั้นเดี๋ยวก็คว้าอันนี้อันนั้นก็ยังไม่เสร็จอันนี้ก็ยังไม่เสร็จทางานหลายหนาจับปลาหลายมือมันก็ไม่เห็นจริงเห็นจังเมื่อไม่เห็นจริงเห็นจังความสงสัยของเราก็ตะพื้นตะพือขึ้นความสงสัยก็มากปัญหาก็มากขึ้น สังเกตดูว่าจิตใจของเรานั้นมันมักควันขึ้นในการมาวิตกหรือพยาบาทวิตกหรือวิหิงสาววิตกก่อนต่างก็ตั้งสติปัญญาของตนให้รู้ธรรมเป็นจริงจึงจะจับยามาแก้ให้ถูกถ้าอย่างนั้นถ้าปวดศีรษะแล้วเอาไปยาไปเอายาปวดท้องมาฉันมันก็ไม่ถูกกักกะละเทศะ ตนผลน้อยไม่ทันใจแต่ก็มีประโยชน์เหมือนกันแต่ไม่ทันใจฟืนแล้งนะับยากบรรเทายากผู้ใดประมากายยคตาสติผู้นั่นปาผู้นั่นประมาท พนิภานผู้พิจารณากายคตาสติจะมีอานิสงส์สิบเวตประการและลาคะของผู้นั้นจะบรรเทาลงง่ายพิจารณาความตายก็เหมือนกัน ราคะได้เหมือนกันเมื่อสงบราคะโทสะโ ม, โมหะส่วนนั้นก็เบาไปในตัวถ้าว่าเห็นโลกทั้งหลายเต็มไปด้วยร่างกระดูกไปไหนก็พบแต่ร่างกระดูกมองดูมนุษย์ก็ต้องมองดูให้ถึงกระดูกมองดูให้ถึงสกปกโสมม ถ้ามองดูแต่หนังภายนอกก็เรียกว่ายังดูมนุษย์ไม่ชัดมองให้ทะลุเข้าไปในหนังในเนื้อในเอ็นในกระดูกว่าเป็นลักษณะอย่างไรและมีกลิ่นมีสีเป็นอย่างไรแล้วนี่เป็นต้นถ้ามองเพียงเพียงผิวเผินทางนอกถ้ากิดยังไม่พ้น ก็สามารถอาจจะลวงตนได้เหมือนกันที่พระบรมศาสด า, า, า, ากล่าวว่าสกรปรกโสมลม น, นมันไม่มีประตูจะเถียงละคราวหนึ่งอยู่บ้านน้องผือหลวงปู่มั่นถามสมณเณรว่า ามาเนียนเพลงเธอพามานาเป็นไหมไม่ได้เป็นกับผมถ้าไม่เป็นก็ไม่ยากท่านพูดยับหยาบเลยพูดไม่มีมารยาทเลยพูดเพื่อให้ถึงใจเพราะมนุษย์เรามันนิสัยหยาบก็ต้องพูดดับหยาบใส่ ถ้าภาวนาไม่เป็นแล้วก็เอาเนื้อจกซอดสอดเข้าสอดเข้าทวารหนักแล้ววมาดมดูสิจะภาวนาเป็นหรอกในปฏิกูลท่านพูดยังไงหลวงปู่มันที่นี่มีโยมคนหนึ่ง มาถามหลวงปู่มั่นกับผมจะได้บวชในพระพุทธศา ส, สนาหรือไม่จะบวชหรือไม่บวชก็ถามเธอนั่นเองเธอทำไมถึงไม่มาบวชถ้าเธออยากบวชใครไปห้ามไว้มันเมตยังไม่ทันถึงคราวเขาตอบหลวงปู่มั่นอย่างนั้น เออมันไม่ถึงขาวละมันถึงแต่ของปฏิกูลมันกลายไปเสียแล้วขาวนั่นลบตัวรอออกลบตัวรอเรือออกทีนี้คนนั่นกลับถึงบ้าน ทีห้าวันก็มาขอบวชที่ท่านอาจารย์เทศว่ายังไม่ทันถึงขาวนั้นถึงแต่ปฏิกูลนั้นถึงแต่เหม็นนั่นมันถูกแล้วไม่ใช่พระอาจารย์พูดคำหยาบและพูดสำหรับเพื่อเจอเป็นธรรมะ เดินดวงทีเดียวก็วผมจะขอบวชก็เลยบวชมาเป็นตาประขาวเราไม่อยากมาเป็นพ่อค่าร่างกระดูกอีก ถ้าขายมาทุกชาติทุกพ บ, พบก็ขาดทุนเสมอๆขาดทุนไปหาแก่เก็บตายสัดทั้งหลายถ้าไม่ลงสกลลกายอย่างต่าที่สุดก็พระสวสดาบันอย่างสูงที่สุดก็คือพระลหันโยวากายกตาสติ ให้มีสติพิจารณาร่างกายตนและผู้อื่นในเห็นเป็นไม่งามอาลักขากรมมฐานสี่พุทธานุสติรละลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าที่มีในพระองค์และทรงเกื้อกูลแก่ผู้อื่นเมตตาแผ่เมตียิกิดคิดจะให้สักทั้งปวงเป็นสุขตัวหน้าอสุภะพิจารณาร่างกายตนและผู้อื่นให้เห็นเป็นไม่งาม เมะลาะนัตสติรู้วถึงความตายจะมาถึงตนและท่านผู้อื่นและสัตว์อื่นกรรมฐานสี่อย่างนี่ควรเจริญเป็นนิดเรียกว่าอารักขากรรมฐานจะรวมหรือไม่รวมก็ต่างจะเหาะเหินเดินอากาศไปได้สักเพียงไหนก็าตามหรือไม่เหาะก็ตามก็ต้องพิจารณาตามเป็นจริง สิ่งทั้งหลายเป็นจริงอยู่แล้วแต่เราอยากจะฝืนความจริงนะพระบรมส า, าสีรัน์บัญญัติว่าปฏิกูลสักเพียงไหนสักเพียงใดก็าตามเพียงใดเป็นคำพัอีสานเพียงใดก็าตามก็เป็นจริงตามปฏิกูลอยู่เพียงนั้นให้เป็นเหมือนที่เรา เอาโขนสวมให้ไหมเอาโขนสวมว่าสวยอย่างนั้นสวยอย่างนี้ก็เป็นเรื่องชาวโลกที่พูดกันตามสมมุติภายนอกแต่พิจณาเข้าไปจริงๆเนี้ยก็ไม่พ้นลงเอยพอระบรมศาสดาในส่วนปรมัติถั์ธรรมโลกอันนี้บรรจุเนร่างกระดูก สมมุติว่าพวกเรานั่งอยู่นี่น่ะตาก็ถ่ายออกมาทั้งหมดทีนี่สังคมนี้จะแตกกันไหมเนี่ยต้องแตกกันไม่ยอมมานั่งอีกละต่างคนก็ต่างวิ่งหนีหรือต่างคนต้องต่างก็ต่างอาเจียนออกมาทีนี่ <c oughs> แต่ก็อยู่ไม่ติดอีกเหมือนกันกองอาเจียนจะใหญ่ขนาดไหน กองทายใจะใหญ่ขนาดไหนและมีสีกลิ่นเป็นยังไงส่ในไ ต, ต้กทานนี่ในประเทศไทยของเรานี่นะถ้าจะเอาอุจจาระมารวมกันวันหนึ่งวันหนึ่งนั่นที่ถ่ายออกนั่นคงเกือบจะเท่าภูภูจก้อนี่ที่นี้เราสมมุติไปแหวกว่าอยู่ในนั่น ดำลงในนั้นจะได้ไหมทีนี้นี่อุบายทรมานตนเองเท่านี้ใช้ยาก็ต้องเอายับยาบถ้าอย่างนั้นไม่ทันมันที่นี่ด้านปัสาวะเล่ามดโลกนี่มารวมกัน หายออกแต่ละวันละวันนี่นะถ้าไม่ให้ใหอันตรธานไปทางไหนก็คงจะมากกว่าน้าห้อยข้อที่เราข้ามไปข้า ม, มาบินทะบาต ท, ทุกวันนี้กินและสีจะเป็นยังไงทีนี่นี่พระฮิตทาเทียบภายนอก แล้น้อมเข้ามาภายในหาจิตใจจิตใจจะละอาหรือไม่ที่นี่พวกเรานั่งอยู่นี้ถ้าหากว่าลอกหนังออกหมดนั่นเนื้อก็เชือนออกลักษณะจะเป็นยังไงทีนี้ เลือดก็ไหลาตามนี่ล้วต้องยอมเสียมัรยาตต้องพูดกันห ย, ยาบๆอย่างนี้แหละผู้มีกามามีตกเสมอๆ พวกสังเจตานิกาที่เรื่องอาบัตสังคาทิศที่เรา ไ, ไปอยู่กรรมกันบ่อยๆก็เนื่องโดยบกพค่องอันนี้ ถ้ากามวิตกขาดพยาบาทวิตกก็ขาดไปในตัววิหิงสาวิตกก็ขาดไปในตัวโทวะสก็ขาดไปในตัวเมื่อพยาบาทวิตกเมื่อกามวิตกขาดแล้วพยาบาทวิตกขาดแล้วไม่กําเริบขึ้นมาอีกวิหิงสาวิตกขาดแล้วอันนั้นแหละคือพระอนาคามี สัดทั้งหลายที่ท่องเที่ยวในวัฏจัทรงสารที่มาตกนรกในการมริตกนี่ในกามมาร ม, มนี่จะนับเป็นกีล้านในมนุษย์นี่เทวโลกคมโลกยังไม่ว่าเพราะจาพวกเหล่านั้นเป็นกามทิพเป็นโทสะทิพโมหะทิพอันนี้ก็เป็นทิพเหมือนกันแต่ว่าเป็นทิพหยาบ เป็นทำเบื้องต่ำหากว่าเป็นทรมเบื้องสูงถ้าหากว่าละขา ด, ด้ะกลายเป็นทำเบื้องสูงถ้ายังไม่ขาดก็เป็นทำเบื้องต่ำแต่ก็ยังดีกว่าไม่พิจะะารณาเพราะจะได้บรรเทาเพราะจะได้ห้ามบียด้ามล่อจะไม่หลงจนลืมตัว เพราะจะมีอาการอาจารย์เขกอาจารย์คือสติเรื้อลึกได้จากเขกแลร้วลึกในทางถูกยังดีกว่าจะปล่อยให้มันกัดกินจิตินใจจนหมดหม่วนของมันคือม้วนหนังนั่น ก็ได้ยินแต่เขาว่าไม่รู้วมันเป็นม่วนอยังไงดอกถึงจอถึงแก่อะไรเราก็ไม่รู้จักดอกพูด บ, า บ, าบา้าๆบอๆไปนะครับเราไม่ได้เกิดมาส่งเสริมกามเราไม่ได้เกิดมาส่งเสริมพยาบาทเราไม่เราไม่ได้เกิดมาส่งเสริมวิหิงสาวิตก เราจะมาต่อสู้และทำลายถ้ากามวิตกวิหิงสาวิตกพยาบาทวิตกขาดไปแล้วศีลในปาติโมกก็บริบูรณ์ไปเองไม่ต้องท่องต้องบน่นข้อนั้นเป็นอย่างนั้นข้อนี้เป็นอย่างนี้ ถ้าว่ากามวิตกพยาบาทวิตกวิหิงสาวิตกยังไม่ขาดจากคันทะสันดานจำเป็นก็ต้องระวังอยู่ข้อนั้นห้ามอันนั้นข้อนี้ห้ามอันนี้ผิดในข้อนั้นผิดในข้อนี้ถูกในข้อนั้นถูกในข้อนี้อยู่ ตาหมามาิตกกับราคัคทินาคือไฟราคะ ก, ก็อันเดียวกันพยาบาทวิตกวิหิงสาิตกกับโทสักทินาก็คือเป็นไฟกองเดียวกันเดือดร้อนเสมอกัน ภูมิของพระโสดาบันจึงไม่สากแช่งใครขอให้มันเป็นทุกอย่างนั้นขอให้มันชิบหายอย่างนั้นอย่างนี้จึงไม่มีในท่านเพราะเบาไปแล้วแต่ยังไม่ขาดจะแหกว่าเบาตามมิวิตกก็ยังไม่ขาดแต่ว่าเบาไม่ทวีขึ้นมิถึงสาวิตกก็เบาไปแล้วไม่ถึงกับไปนรก พระสกทาคามีเบากว่านั้นพระอนาคามีขาดเลยไม่เห็นเลยผู้หญิงผู้ชายก็เรียกผู้หญิงผู้ชายตามสมมุติแต่ว่าไม่มีราคะไม่มีโทสะเหมือนดินกับดินอยู่ด้วยกันเหมือนน้ำกับน้ำอยู่ด้วยกันเหมือนไฟกับไฟอยู่ด้วยกันเหมือนลมกับลมอยู่ด้วยกัน หรือเหมือนดินกับน้าอยู่ด้วยกันหรือมัอนน้ำกับดินอยู่ด้วยกันหรือดินน้าไฟลมมาชุมกันอยู่ด้วยกันเฉยๆไม่ได้กำหนัดกันดินก็ไม่ได้กำหนัดน้าน้มก็ไม่ได้กำหนัดไฟไฟก็ไม่ได้กำหนัดลมเมื่อไม่กำหนัดแล้วโกรธจะมาจากประตูไหนทีนี้ความโกรธก็มาจากความกำหนัด พราะมันไม่ได้สมประสงค์ ม, มันก็โกรธใช่ไหหลงก็เหมือนกันหลงอย่างละเอียดมันก็ขาดไปแล้วพระโสดาบันหลงอย่างหยาบมันขาดไปแล้วยังแต่หลงละเอียดทีนี้ี่พระโสดาบันก็ดีพระสกทาคามีก็ดีพระอนาคามีก็ดีพระละหันก็ดี ถ้าอุบาสกอุบาสิกาพิคุสามะเนในพระพุทธศาสนาไม่เป็นจะให้ใครเป็นทีนี้จะทิ้งให้ใครทีนี้ถ้าไม่ พ, า ย, พยายามจะทิ้งให้ใครพยายามทีนี้อุบาสกอุบาสิกาพิคุสามะเนไม่อยากจะหลุดพ้นในวัฏฏสงสารคือโลคโกดหลงนี่คนระัจะให้ผีตัวไหนมาปฏิบัติเพื่อพ้นทีนี้ พระบรมศา ส, สดาก็ฝากไว้กับอุบาสิากาภิกสุสัมมเลนแล้วพาะนางพิกษุนีไม่มีเสียแล้วทุกวันนี้นางสิครามานานก็ไม่มีนางสัมมาเลนีก็ไม่มีคำสอนต่างๆที่สอนในทางตรงในทางอ้อมอยู่สี่ิพย์พันสาในผู้ยืนยันว่าปัด ปฏิบัติพุทพุทธศาสนาถ้าพวกที่ปฏิบัติพุทพุทธศาสนาไม่ใฝ่ใจไม่ปฏิบัติจะให้ผีตัวไหนมาปฏิบัติอีกเลนี่ น, นี่เป็นปัญหาหน้าควรคิดนี่ถ้าพวกชาวพุทธไม่ยเลื่อมใสและยินดีในศาสนาพุทธจะให้ใครมาเลื่อมใส ย, ยินดีจะให้ใครมาปฏิบัติ จะให้ใครหลุดจะให้ใครพ้นไปจากกองทุกในวัฏรสงสารก็ไม่มีอีกทีนี้บางท่านกล่าวว่าธุดวงขาวัสมันเป็นอัตกิลามัานุโยกไม่ใช่มัชิมาปฏิปทาท่านละท่านผู้นั้นก็กล่าวตู่พระพุทธศาสนาอีกธุดวงขาวัตแต่ละข้อละข้อ เป็นเครื่องขูดเกากิเล์ถ้าพูดอย่างนั้นก็คล้ายๆกับว่าเกาวตูเพระบร ม, มาศาศสดาถ้าพิคุสัมเนนไม่ปฏิบัติธุดงควัตที่นี่จะให้ผีตัวไหนมันมาปฏิบัติที่นี่คารวะก็ไม่ใช่นาที่ถ้าพิคุสัมมเนนผู้มาปฏิบัติไม่ยินดีจะให้ใครยินดีปฏิบัติ จะให้ใครยินดีขูดเกา่าถ้าเราไม่ปฏิบัติเราไม่ต้องการขูดเกากิเสกลสหรือนี่แต่ทุดงควัดท่านก็ไม่ได้บอกว่าให้ปฏิบัติหมดแต่ใครไม่ปฏิบัติท่านก็ไม่ปรับโทษ เมื่อฉันบินทบบาทเราจักแรดูแต่ในบาทเมื่อฉันบินทบบาทเราจักแรดูปินโตหรือผาชนะก็ไม่มีฉะนั้นไม่ควรประมาทท่านผู้ถือธุดง พระบรมศาสตรสาบวชใหม่ๆสเสด็จผ่านกรุงราชกุฎ์ไปบินทบาทมีน้ำพลิกเขากระเทลงเป็นชาติกษัตริย์เียด้วยพระบรมศาสตรสามีแกงเขากระเทลงในนั้นมีอะไรเขาก็าเทลงในนั้นข้าไม่รู้จักหมกจักห่อเหมือนทุกวันนี้ สารสติ๊กสแต๊กอะไรก็ไม่มีเหมือนทุกวันนี้พระบรมศาตินาเกิดั้งเม็ดเออเหมือนกันกับลากหมานะที่หมาที่สุนัขมันกืนกินแล้วมันลากออกมาเป็นยางเป็นยางเป็นยางเป็นยางเป็นยางอันนี้ก็เหมือนกัน ที่นี่มีคำสอนตัวนว่าสิท ธ, ธะเธอมาบวชหวังจะลือสัตว์ออกจากวัฏสงสารเธอจะได้อาหารที่ดีที่ไหนมาเธอจะได้ถ้วยทองคำหรือภายชนะทองคำเหมือนที่เธออยู่ในพระบรมราชาวังเธอจะได้มาจากไหน เธอก็ยอมเสียสละมาแล้วมีอุบายสอนตนอย่างนั้นเธอฉันอย่างนี้เธอจะเห็นปฏิกูลในสกุลละกายแต่ยังไม่ถึงท้องก็เป็นพุดปฏิกูลแล้วยังไม่เป็นอุจระก็เป็นปฏิกูลถึงขนาดนี้ถ้าเป็นอุจระออกมาทวานหนักแล้วก็เป็นลักษณะยิ่งไปกว่านี้ และกลิ่นก็ยังยิ่งไปกว่านี้อันนี้กลิ่นยังไม่ทันยิ่งเลยถ้าเธอหวังดีหวังความหลุดความพ้นเพื่อจะรื้อสัตว์ออกจากวัตฏสงสารอย่าให้มันเป็นคำแย่งกันกันกบที่เธอสร้างบารมีปรารถนามาถ้าเธอจะจะปาลบอย่างนี้มันก็แย่งกับคำที่เธอว่าต้องการพระพุทธเจ้าหรือต้องการหลุดพ้น เธอจงฉันเถิดมีอุบายสอนตนเองพอพระองค์ตกลงใจก็ยอมฉันได้โอชาลดไปทั่วสันพางกายมู่นจกปรากฏตามสมมติที่นี่พระบรมศาสด า, าบวชใหม่ ไปผ่านพระเจ้าพิมพิสารพระเจ้าพิมพิสารตัดถามพระองค์ตัดตอบพระองค์บอกว่าออกบวชจากสักยราชชาวชนหมดอันตั้งอยู่ตรงข้างภูเขาหิมะพานสมมูรณ์ไปด้วยพวกทรัพย์เป็นบุตรของพระสุทโทธทนะออกจากสักยราช เ อ, อเราก็รู้จักอยู่กับพระพุทธกับบิดาของของท่านเราเคยรู้จักอยู่เมื่อเป็นดังนี้โยมพ่อจะขอพรไว้ห้าประการถ้าตัดสู่แล้วขอให้มาแว่นแควนของของโยมพ่อเิด ขอให้โยมพ่อได้เข้าไปนั่งใกล้ขอให้เทศนาให้โยมพ่อฟังขอให้โยมพ่อเข้าใจความในขอให้โยมพ่อได้หงีงยหูลงฟังขอให้โยมพ่อได้เข้าใจความหมายในทํานันั้นนี่ปลว่า พระเจ้าพิมพิสารเหตุฉะนั้นเมื่อทัศรุแล้วจึงเสด็จเข้ากรุงราชาคฤห์ก่อนกรุงกบิลละพัทเราได้รับปฏิญญาของพระเจ้าพิมพิสารพระองค์เองก็อยู่คนเดียวปเปลี่ยกายากระถนใบเดียวก็ไม่มีกะพี้กระเป๋ ทุกวิธีทางไม่ไม่มีใครเทียมถึงทางพรมานตนเองกว่าทุกวิธีทางทางทุกข์กิริยาก็ทุกวิธีทางจนทำให้เหนือเขาในสมัยนั้นเขานิยมกันในทางทุกขกิริยาเช่นนอนขวากนอนหนามย่างกิเลสเหมือนไอคุบ ยืนค้าเดียวอ้าปากกินลมเป็นต้นต่างประชันขันแข่งกันพระบระมศาสดาก็ทรงทุกข์กิริยาให้เหนือจากพวกเรานั่นไปเพราะจะเป็นประโยชน์ในยามที่ตนทัดสู่แล้วปฏิปทาแบบนี้เราได้ทําเหนือพวกท่านแล้วนะพวกท่านก็เห็นประจักษ์อยู่แล้วไม่ใช่ทางทัดสู่จะได้ออกมาพูดกับเขามันเป็นประโยชน์กับพระบระมศาสด า, าในอนาคต แต่พวกเรากรงกันข้ามใช้แล้วที่นี่พระพรทมศาสธนาบวชใหม่ๆอิ่มจิตอิ่มใจของตนเองว่าตัวนี้ออกจากขราวาดมาแล้วสาธุโ ข, ขบัพรพชาบวตีนักแปลที่เรียกว่าบัพรพชาในสมัยนั้นยังไม่มีอุปสมบท บวชเองแต่พวกเราเข้ามาที่นี่ตรงกันข้ามเสียแล้วหิวแต่อาหารไม่มีปีติเสียเลยไม่อิ่มใจเสียเลยว่าตนได้บวชออกจากฆราวาสมาอันนี้ก็เป็นหน้าควรคิดไปบินอนุญาตให้ไปบินธบาทได้ พระบรมศาสดาก็บอกว่าเป็นราบเหลือเฟือแล้วเขาจะให้หรือไม่ให้ไม่ทราบเพียงทรงอนุญาตให้บินไปบินทบาทเท่านั้นแหละถือว่ามีราบแล้วพอจะปฏิบัติให้ค้นทุกข์ได้อยู่ที่ทรงอนุญาตผ้าฝ้ายผ้าไหมผ้าเปลือกไม้กระปาชิกะสานังผ้าเปลือกปาน พังกังผ้าที่ทำด้วยของห้าอย่างข้างต้นเจือกันเช่นได้บ้าไม้บ้าเปลือกไม้บ้าผสมกันเป็นต้นเรียกว่าพังกังพังคังก็พอจะปฏิบัติเพื่อคนทุกได้อยู่ดอกที่นี่ด้านเพศัตที่นี่ ฉันดอดองฉันยาดวงเลยหน้ามุนเนา่าขามป้อมสมอเป็นต้นก็พอปฏิบัติเพื่อพรทุกได้อยู่ดอกแต่ว่าตรงงันข้ามพอเก็บป่วยมาพวกเราไม่ได้ไปโรงพยาบาลซินีลาชก็ว่าอากาศไม่ดีใช่แล้วไม่สมฐานะของเรา ที่นี่อาด้านอาหารถ้าไม่มีญาติไม่มียมลงจากรถมาที่หมอเขียวมาก็อากาศไม่ค่อยจะดีสระทีนี่อันนี้น่าควรคิดอีกเหมือนกันใครไปแต่งอาหารให้ถูกปากเพราะบรมศาสตราเป็นไม่มีเลยรัตซ์ลูแล้วมา จึงมีภายหลังลงทุนโชคโชนเชื้อก่อนแต่พวกเราไม่อยากโชคโชนเลยไม่อยากอดอยากยากไม่อยากผ่านทุกเื้อก่อนก็เลยมาเห็นทุกทีนี้ก็เลยไม่อยากนี้จากทุกทีนี้เพราะมันปิดบัง เป็นส่วนมากต้องเป็นอย่างนั้นที่นี่ด้านเสนาชนะที่นี่ลองฟังบ้างคํามยังกูห้ากูห้าอ่านเป็นกูตัวคออ่านเป็นตัวกอตัวคอควายนะอ่านเป็นตัวกอในภาษามกตคูหาวบ้าง ปาสาโดสาโทนั่นเองทหทานั่นเองเปลี่ยนเป็นมรคตดปราศาสตร์มงคงบังครึ่งบ้างร่มไม้บ้างลุกขมูลบ้างลอมฟางบ้างที่กแก้งบ้าแต่ในเวลาเข้าพรรษาจาเป็นจะได้เข้าในร่มนี่หมายความว่าในฤดูแรก แต่ก่อนยังไม่ได้บัญญัติพัรษาเพื่พระที่สุมากมาจึงบัญญัติถ้าเราถ้ากุตติข้ามอัไรตีเพดานก็ภาวนาไม่ดีเสียแล้วอาการไม่ค่อยดี แต่ก่อนก็เทียนไขหรือเทียนพึ่งธรรมดานี่เองทุกวันเรานี่ไฟฉายกา็มีไฟฟ้าไฟแถนอะไรมีสารพัดถึงอย่างนั้นก็อากาศยังไม่ดียังยังอยากจะทิ้งผ้าสังคาติหรือบาทหรือกีวร น, นี้ไปสู่คาราวา พระโกริวิษณเดินจงกรมด้วยจนเท้าแตกพระบรมศ า, ศาสด า, าบอกว่ามันตึงเกินไปจงลดลงกว่านั้นเถิดแต่พวกเราไม่ได้เดินจงกรมจนเท้าแตกหรอกเว้นไว้แต่ชนสะดุดเท่านั้นมันจะแตกเพาไม่มีสติมันบางลงจนถึงเท้าแตกไม่ค่อยจะมีสะแล้ว